สัมที่เขาคิดจะกูดนี้ผมพอจะทราบมาบ้างเหมือนกันว่ารถที่ส่งคนขึ้นไปบนเขานั้นเมื่อนับรวมกันหลายๆปีก็ตกเขากันมาหลายคันอยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะมีคนรู้ขนาดคนในตัวเมืองจันเองก็ยังไม่รู้เลยแต่ผมมีเพื่อนเป็นคนพื้นที่ของเขานี้แล้วเพื่อนอีกคน มันก็เป็นลูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นั่นพวกมันจึงมักจะเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอวันหนึ่งเพื่อนๆมันก็ชวนผมเดินขึ้นจากเขื่อนพวงไปถึงยอดเขาซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลพวกเราไปกันอยู่ทั้งหมดห้าคนขาขึ้นไม่ได้นั่งรถเลยเดินกันอย่างเดียวก่อนขึ้นผมก็จะนำผ้ายันของท่านพ่อเขียนยื่นให้กับเพื่อนผมเพื่อ น, นาติดตัวไว้พวกเรา เดินขึ้นกันตั้งแต่สามทุ่มกว่าๆระหว่าวงการเดินทางจะกเลื่อนพวง ก, ก็ค่อนข้างทุลักทุเลมากโดยเฉพาะไอเอเดินสะดุดบ้างโดนหนามทิมบ้างพวกเราเดินขึ้นช่วงกรกแด ก, ก็ไม่เจออะไรพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งผมก็มองเห็นรอยเท้าอะไรก็ไม่รู้ดูแต่ว่ามันไม่ใช่รอยเท้าของคนแน่ๆรอยเท้านั้นมี4นิ้วคล้ายกับสัตว์ตระกูลแมว แต่ไม่น่าใช่รอยเท้าของเสือโครงเพราะรอยเท้านั้นมันมีขนาดเล็กประมาณครึ่งฝ่ามือของผมได้และมันก็ยังคงเป็นรอยใหม่อยู่เลยพวกเรามุ่งหน้าเดินต่อไปเส้นทางที่พวกเราเดินอยู่นั้นมันเป็นดินเปียกๆ ก, ก็มีลื่นกันอยู่บ้างต้องคอยพยุงกันผมกลับไปคิดถึงรอยเท้านั้นอีกครั้งก็แปลกใจว่าเขาปิดป่านี้แล้ว จะมีสัตว์เข้ามาในพื้นที่ได้ยังไงซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมสงสัยเพราะก่อนหน้าที่จะขึ้นเขานี้ผมเคยถามเพื่อนที่เป็นคนพื้นที่นี้มาก่อนซึ่งมันก็เล่าถึงตำนานให้ฟังว่าบางทีอเป็นเสือสมิงซึ่งในตำนานได้กล่าวว่าเสือสมิงมีลักษณะรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อลาวากินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์ คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในตัวเสือนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงบ้างก็ว่าเสือสมิงอาจจะเป็นคนที่เรียนวิชาสมิงแล้วผิดคำครูก็เลยทําให้ต้อกลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือโดยปกติแล้วเสือสมิงจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนแลออกหาเหยือ่อ โดยการแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดงก็มีแล้วมันก็บอกอิบว่าเียดป่าอาถันของเขาคิดจะกูดที่สมิงอาศัยอยู่นั้นอยู่หลังจากเขานี้ไปอีกหกิโลเมตรเท่านั้นรอยเท้านั้นมันทำให้ผมกลับไปคิดถึงเรื่องเสือสมิงอีกครั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้พูดให้ใครฟัง แล้วก็รีบเล่งให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรีบเดินกันต่อให้เร็วขึ้นพอเดินต่อไปอีกแค่ไม่กี่ ก, ก้าวพวกเราก็เจอรอยเท้าของคนที่ไม่ใส่รองเท้ารอยเท้านั้นมันปะ ป, ปนอยู่กับรอยเท้าของเสือซึ่งรอยนี้ผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่ามันเป็นเสือแน่ๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงมันอาจจะไม่ใช่เสือธรรมดาก็ได้ พวกเราหยุดเดินเพื่อส่องไฟดูส่องไปบริเวณโดยรอบแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วพวกเราก็รีบเดินกันต่อระหว่างทางเดินขึ้นเขาเพื่อนผมไอเอที่ผมเอายันให้มันไว้ปกติมันมักจะเป็นคนเห็นพวกสิ่งลี้ลับบ่อยมากมันมาบอกกับผมที่หลังว่าขณะที่พวกเราเดินอยู่ตรงบริเวณศาลมันเห็นชายคนหนึ่งใส่ชุดสีเทาวิ่งตามมันมาเร็วมาก ชายคนนั้นหน้าฟกชำ้ำตาแดงกล่ำไม่ใส่รองเทา้าวิ่งบ้างกระโดดบ้างตามมันมาตอนนั้นมันรีบวิ่งมาแทรกหน้าผมซึ่งขณะนั้นพวกเราเดินเรียงแถวอยู่ทําให้ผมซึ่งอยู่คนที่สี่ก้อนหน้ามันต้องกลายมาเป็นคนสุดท้ายอยู่หลังสุดแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราไม่รู้ไม่ได้มองเห็นแบบมัน หลังจากที่ผมเดินล้งท้ายกลุ่มได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเบียดผมจากทางด้านขวาเบียดไม่แรงมากสักเท่าไหร่แต่ก็เกือบเสียหลักยุ่มกันโชคดีที่ตอนนั้นไม่โดนเบียดจนตกเขาแล้วผมจึงหันไปดูกระเป๋าว่ามันเกี่ยวหรือโดนอะไรหรือเปล่าเมื่อมองไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผมเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมานิดนิดก็นึกถึงหลวงพ่อกับชายผ้าถุงแม่ ให้ช่วยปกป้องคลุมครองตัวผมด้วยพวกเราเดินมาได้อีกสักพักหนึ่งก็เจอคนอีกกลุ่มหนึ่งมันทําให้พวกเรารู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยพอเดินต่อไปอีกประมาณ20เมตรจูๆ่ๆไอเอมันก็ลื่นลม้มขาข้างหนึ่งพับอีกข้างหนึ่งเหยียดไปข้างหน้าแล้วรองเท้าก็หลุดกระเด็นไปผมก็เลยเข้าไปพยุงมันขึ้นมาเอาน้ําให้มันกินแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเอายาดมมาให้ พวกเราก็ขอบคุณไปตามมารยาทแล้วไอเอ้มันก็บอกว่าตอนที่มันลื่นลม้มมันไม่ได้ลื่นเองหรอกตอนแรกมันสะดุดหินเท่านั้นก็พยายามทรงตัวไวได้แต่รู้สึกเหมือนกับว่าจังหวะนั้นมีคนมาดึงนักแข่งให้มันลื่นล้มลงไปนอนพวกเราเดินต่อไปจนถึงช่วงที่ต้องเดินบนถนนซึ่งก็จะมีรถวิ่งอยู่บางขาดนั้นมีรถวิ่งขึ้นเขามา จูๆ่ๆไอเอก็เดินแบบมือลอยไปกลางถนนเนื่องจากผมอยู่รังท้ายสุดต่อจากมันจึงเห็นว่ามันกำลังเดินไปหารถที่วิ่งมาผมพยายามเรียกสติมันแต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ยินที่ผมเรียกในตอนนั้นผมคิดว่ารถจะต้องชนมันแน่ๆผมตัดสินใจวิ่งเข้าไปกระชากแขนมันกลับมาจนได้สติเราเดินต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงยอดเขา ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วแล้วไอเอก็เล่าว่าขณะที่เดินอยู่บนถนนนั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกอย่างมันเบลอไปหมดมองไม่เห็นใครเลยและก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยด้วยตอนนั้นมันเกือบถูกรถขึ้นเขาชนแต่มันได้สติเพราะผมดึงแขนมันไว้แล้วผมก็คิดถึงเรื่องตัวตายตัวแทนขึ้นมาและบอกมันว่า ตอนนั้นเขาอาจจะเอามึงมาเป็นผีเฝ้าป่าแทนเขาก็ได้เขาจะได้ไปเกิดใหม่ก่อนกลับผมก็บอกมันว่ายัางดีที่บารมียันของท่านพ่อเขียนคุ้มหัวมึงไว้ไม่งั้นมึงคงได้อยู่เป็นผีเฝ้าป่านี้แน่ๆแล้วผมก็บอกให้มันไปทำบุญซะรุ่งเช้าค้ากลับเราก็นั่งรถลงเขาไปตลาดหาอะไรกินกันเพราะถ้าจะให้เดินลงก็คงไม่ไหวแล้ว ร่างกายล้ากันมากๆและผมก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก่อนขึ้นไปด้วยส่วนคนอื่นๆมันกินกันหมดแล้วตอนกลับพวกเราก็เดินทางโดยสวัสดิภาพไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกหลังกลับจากเขาคิชกูดแล้วผมก็ย้ำเตือนนา้เอกครั้งว่ารอดเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้ก็อย่าลืมไปทำบุญนะ สัมผัสสยอง